ในอัทธกาวัตรนะกามสุตตะเนธที่หนึ่งคาถาที่สี่หน้าสิบห้าข้อส5บห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านรชนใด ย, ย่อมปราถนาไรนาที่ดินเงินโคม้าทาตคนภายในสตรีพวกพ้องกามเป็นอันมากนะอันนี้คือความปราถนาของคนนะะกล่าวถึงทั่วๆไปโดยเฉพาะถ้าผู้ชายปราถนานะถ้า ปรารถนาก็เนี่ยปรารถนานไรหน้าที่ดินเงินโคมา่าสมัยนี้ก็รถเรือไงรถเรือเป็นต้นน่ะหรือปรารถนาธาตุสมัยสมัยก่อนเรียกธาตุสมัยนี้ก็ปรารถนาคนงานน่ะไงปรารถนาคนงานนั่นเองต่างบริษัทหรือว่าคนภายในคนใกล้ชิดเนี่ยปรารถนาสตรีปรารถนาเพื่อนฟุ้งในการประกอบธุรกิจเนี่ยนัแล้วก็ปรารถนากวามอย่างอื่นอีกเป็นอันมาก รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลินห้อมๆปรารถนาการท่องเที่ยวไปในที that, ่ต่างๆเป็นต้นนั่นอธิบายว่าไร่นะสมัยก่อนก็ไร่ทัวเขียวไร่ถัวราชมาตรไร่ข้าวเหนียวไร่ข้าวละมานไร่งาสมัยนี้ก็ไร่กาแฟไรอะไรไรลิ้นจี่ไร่องุ่นพวกนี้ไรไรบวยก็ปรารถนาพวกไร่เนี่ยทั้งหลายแหละ กูบจุตอนนั้นได้นะไรลินจีอ่ะไรลิ้นจีนจก็ปรารถนาไร่สวนอ่ะนะคือคือคำว่าไรในธรรมะเนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะก็คือรวมทั้งสวนทั้งเลือกสวนทั้งหมดเลยหรือนาเนี่ยนะนาข้าวสาลีนาข้าวเจ้านี่นะก็ที่ดินคือที่เรือนที่ช้างที่หน้าเรือนหลังเรือนที่สวนที่อยู่ก็ปรารถนาที่ดินอ่ะนะ ที่ดินหน้าบ้านที่ดินหลังบ้านที่ดินปลูกบ้านที่ดินหลังบ้านข้างบ้านน่ยนะก็ปรารถนาที่ดินต่างๆแล้วก็ปรารถนากหาปณะนะคือปรารถนาเงินนะนีปรารถนาเงินต่างๆทั้นก็เรียกว่าอยู่ในความปรารถนาของศาสตร์ทั้งหลายบางทีก็ปรารถนาแม้กระทั่งโค น, นะปรารถนาโคเนี่นะเจ้าของฟาร์มโคนมใช่ไหมบางคนก็ฝ่ายฝันคุณผู้ชไม่มีทรายใยฟาร์มโคนมมั่งอะอยู่ที่นั่นนะ ไม่มีเลยนะแถวนั้นโคโนมเยอะเ่ยนะมันก็พวกพวกก็ปรารถนาไปเป็นของฟาร์มโคเนี่ยนะนะหรือปศุสัตว์เช่นพวกม้าเป็นต้นอนะ่ะพวกม้าพวกเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เลี้ยงทั้งหลายแหล่นะปะศุสัตว์สัตว์ของเลี้ยงพวกหมูนะฟาร์มหมูฟาร์มต่างๆนะปรารถนาเป็นเจ้าของฟาร์มสมัยก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาบวชพระนะนะี่แหละ อันั้นมันจอยากเป็นเจ้าของฟาร์มหมูกวนขึ้นสมองมาบวชพระเนี่ยวันวันไม่ทําอะไรเทได้บิด덕 ก, ก็ไม่ค่อยอ่านมันนั่งคิดคํานวณเล้าหมูเนี่ยนะอ่า น, น, นะคิดคํานวณเล้าหมูว่าเขาจะศึกไปเขาจะไปเลี้ยงหมูเขาคิดถึงพ่อพันุหมูมันตัวเท่าไร่แม่พันธุหมูตัวเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีหมูเนี่ยลงครั้งละกี่ตัวเนี่ยนะแล้วมันต้องใช้รำครั้งละเท่าไหร่ นะเลี้ยงกี่เดือนจึงจะขายได้กําไรมันอยู่ในเกณฑ์เท่าไหรก็คิดจินตนาการเนี่ยวันวันไม่ทําอะไรอก็นํามาเอาตลับเม็ดเอาเชือกมาวัดมาขึงมากลางก็อยู่เนีนั่นแหละเพื่อนคนนั้นศึกไปนานแล้วอันนั้นก็เกินไปอ่ะปรารถนามันหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่เน่นะจะสร้างแต่เ ล, ล้าหมูอย่างเดียวนนอความสึกไปไม่ได้ทำหรอกใฝ่ฝันไม่มากะนะแต่ว่าคนที่ฝันลักษณะนี้มากอีกเจ้าหนึ่งเนะี่ยฝันสร้างแต่บ้าน อ, ออกแบบออกแปลนเขียนแบบบ้านอยู่นั่นแหละโอ้ขนาดบวชมานนะั่นะถ้าไม่บวชนจะขนาดไหนวะเนี่ยใยฝันนะว่างๆเราสร้างกุฏิในจินตนาการนะหลังนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้นะเขาก็มีความสุขกับการคิดในสิ่งเหล่านี้นะาง <c oughs> คนก็ปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของต่างๆนะเจ้าของกิจการต่างๆดํ า, า, าดเนินการต่างๆ บางพวกก็ปรารถนาทาตุคือทาตภายในทาตที่ซื้อมาด้วยซับธาตที่เข้ามาสมัครมาเองหรือว่าเฉลยที่เข้าถึงความเป็นทาตุอันนี้ทาตแบบโบราณ น, นะสมัยนี้ก็คือคนงานนะ่ยนะต้องการรับสมัครคนงานจะเอาเท่าไหร่อเอาคนงานหญิงเท่าไหร่คนงานชายเท่าไหร่เป็นต้นนะ ก, ก็คือปรารถนาลูกน้องคนงานทั้งหลายนะเพราะสมัยที่ไม่มีทาตแล้วก็คือ บางทีก็ปรารถนาคนภายในนะเช่นบุรุษรับจ้างคนกรรมกรพวกอยู่อาศัยนะในบ้านก็มีคนซักผ้าใช่ไหมนะออกบ้านก็มีคนขับรถนะไปถึงที่ทํางานก็มีคนใช้ในะที่ทํางานเข้าประตูก็มียามเฝ้าประตูเนี่ยนะนะโอ้ปรารถนาไปเรื่อ ย, อยนั่นแหละนะเพื่อที่จะชูขันห้านะเพื่อจะชูขันห้าให้ขันห้านับถือขันห้านั่นแหละหรือว่าบางทีก็ปรารถนาสตรีพวกพ้อง สตรีนี้โดยศัพ์ก็เน้นอ่ะสตรีที่มีเจ้าของเลยนะเรียกว่าสตรีทกุมารีก็คือพวกยังไม่แต่งงานก็คือปรารถนาแม่บ้านนั่นแหละอันนัปรารถนาพวกพ้องพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นพวกพ้องโดยญาติโดย โ, โคดโดยการเรียนเนี่ยนะโดยการเรียนศิลปะเนี่ย น, นะต้องการปรารถนาเพื่อนอ่ะเพื่อนทางการงานเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางประกอบอาชีพหรือวงศาคณาญาติอ่ะก็พี่ถึงเพื่อนอยากมีเพื่อนนะและกามทั้งหลายเป็นอันมาก เช่นปราถนารูปที่น่าชอบใจเสียงที่น่าชอบใจกลิ่นที่น่าชอบใจรสที่น่าชอบใจโพธาภาที่น่าชอบใจอ่ะผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมนะเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นก็ปรารถนาฝ่ายฟันที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะนะโดยมากกษัตริย์พรามณแพศสูตรครหัตบรรปชิตเทวดาหรือมนุษย์อ่ะนะว่าโดยรวมๆก็ต้องการกันอย่างนี้แหละ แม้กระทั่งผู้ที่บวชเป็นพระก็ไม่พ้นนะนะปรารถนาเป็นเจ้าวาดปรารถนาจะมีที่มีไร่มีพระภิกษุอยู่ใน ค, คอนโทนเน่ยนะนะอยู่ในการดูแลของตัวเองปรารถนาให้คนมานับถือมีลาบสการะสรรเสรนะิญอ่ะก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สัส่วนใหญ่ทั้งสิ่งเหล่านี้คือความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายมันก็เลยปรารถนาผูพกพันต้องการลุ่มหลงติดข้อง ในวัตถุกามด้วยกิเลสกามนะต้องการวัตถุนั้นๆด้วยอำนาจของตันหาเพราะฉะนั้นนระใด น, นรชนใดย่อมปราถนาไรนาที่ดินเงินโคมาธาตคนภายในสตรีพวกพ้องกามเป็นอันมากอันนี้คื อ, ค อ, คอการใช้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายต้องการกันอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอั ส, สาธะหรือสมุทยัยสัตว์เนี่ยนะที่กล่าวไปทั้งหมดคือ สมุทยัทยสัตว์ใช่ไหมเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตดําเนินอยู่ด้วยอํานาจแห่งตันหาเพราะฉะนั้นสร้างสมุทัยอยู่ตลอดเวลาหรือเจริญสมุทยัทยสัตว์เนี่ยนะเรียกว่ากําลังเดินทางผิดเดินทางแห่งความมืดบอดเดินทางแห่งวัฏฏทุกข์อยู่ตลอดทีนี้พอปรารถนาอย่างนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นพอตั้งความหวังตั้งความปรารถนานะผมก็ตรัสว่ากิเลสอันไม่มีกําลังย่อมครอบงํำนรชนนั้น อันตรายก็ย่อมย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกก็ย่อมติดตามนรชนนั้นไปเหมือนน้ำไหลเข้าสู่เรือที่แตกแล้วฉะนั้น น, น, นะคือพอตั้งความปรารถนาก็ใช้ชีวิตนะเนะเราก็ทบทวนถ้าเรามีเพื่อนสิบคนดูนะแต่ละคนเนี่ยมีตันหากันทุกคนนั่นแหละตันหาพาเข้าไปยังไงบ้างนะ แต่ละคนเนี่ยนะครจุดจบของชีวิตไปยังไงไปเสาะแสวงหาแต่ละอย่างจุดจบของชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงเป็นยังไงนะทั้งยาติทั้งเปื่อนทั้งคนรู้จักคนไม่รู้จักอะ่ะศึกษาประวัติความเป็นไปของชีวิตของเขาอะ่ะของผู้ที่มีกิเลสนําหน้ามีตันหาร้อยรัตพาไปแล้วจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งจากชนบทหนึ่งสู่ชนบทหนึ่งเนี่ยนะทำมาค้าขายประกอบอาชีพโดยประการต่างๆเนี่ยก็เสาะแสวงหากันอันเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสก็ ท่วมทับมันะกิเลสที่ไม่มีกําลังมีกําลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยเลวซามเสื่อมคือคือกิเลสเนี่ยมันมีความเพียนเลวอ่ะน ะ, ะมีเรี่ยวแรงน้อยปัจจัยเลวเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกนกลูกข้างเขาเหมือนกันพันกิเลสเหล่านั้นก็ครอบงําท่วมทับกดขี่กําจัดย่ยํายีบุคคล น, นั้นพอเข้าปรารถนานะพอกว่าปรารถนาเกิดอะไรเกิดความเครียดก็เกิดใช่ไหมต้องการสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เครียดทุกเดือดร้อนเนี่ยไง หุดหงิดไม่พอใจไม่สบายใจไปขายของเขาไม่ซื้อเป็นงไงยิ้มกลับบ้านเลยใช่ไหมแหมมีความสุขมากไม่ใช่นะหุดหงิดกลับบ้านก็ไม่ได้เรื่องอนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นถ้าไปไปสํำรวนว่าไปไร่ผลผลิตมันไม่เป็นอย่างคิดกลับมาก็าทุกข์ละเพราะสิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาไปแล้วเมื่อสิ่งนั้นไม่สมปรารถนาก็ความทุกข์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นมันไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะถ้าใครร่ํารวยกว่าเราเราชอบไหม ประกอบธุรกิจเดียวกันนะ ม, มู้ที่ตาแหมสาธุให้มีความสุขความเจริญนะขายดียิ่งนี้ยิ่ ง, ง, งขึ้นไปนะโดยมากเป็นอย่างนั้นไหมธุรกิจเดียวกันแบบเดียวกันทั้งหมดแต่เขาเจริญกว่าเราเสื่อมเนี่ย น, นะไม่ริษยาก็เกิดเนี่ยนะทีนี้ถ้าถ้าเราร่ําเจริญร่ํารวยเลยนะมั่งมีอ่ะเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเขาเจริญเหมือนเราบ้างไหมโดยมากไม่ใช่มัชฉริยะเราก็เกิดเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นห่วงแหนเนี่ยนะวัตถุกรรมเนี่ย ผู้ที่ได้ก็ผู้ที่ได้ก็ตรณีผู้ที่ไม่ได้ก็ริสยาเนี่ยนะก็ตันริสยาทีานี้ถ้าทั้งริสยาตตนีมันเจอกันอะไรจะเกิดไอ้พวกริสยาก็หวงกันเต็มที่ไม่ให้เขาเข้ามาไอ้พวกตรณีนะไอ้ไอ้พวกริสยานะหวงกันเต็มที่ไอ้พวกขออภัยไม่ใช่ไอ้พวกริสยาเนี่ยนะจะแย่งชิงเต็มที่ ไอ้พวกต น, นีก็ปกปักเต็มที่ทีนี้ก็สึกชิงกรามแล้วกันนี้เนะสึกชิงกรามกับก็น่าท่าชิงน้อยๆหน่อยก็ทะเลาะกันด่ากันเข้นข่ากันอ่นะทะเลาะบาแวงง่งกันวันกิเลสก็ครวมคอบครอบงำท่วมทับย่ยํายีอยู่ตลอดอ่านะอีกในหนึ่งศรัทธาพระวิริยะพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระหิริพระโอตตปะพระไม่มีแก่บุคคลใดกิเลสเหล่านั้นย่อมคร่วมเอ่อท่วมทับปราบปรามกฎ ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคลนั้นผู้ไม่มีกําลังผู้มีกําลังสามมีกําลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อยเลวสามเสื่อมตกต่ำลามมกเป็นเหมือนลูกนกเล็กน้อยเนี่ยนะใครที่ไม่มีศรัทธานะคนนั้นในกิเลสเล่นงานบ้านเนี่ยอ้วมอรไทหมดนะผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพระเนี่ยถ้าขาดกุศลพระทั้งหลายอกุศลก็เบียดเบียนครอบงําท่วมทับย่ำยีแหละ หรือผู้ที่ไม่มีฮิริโอตะปะนะทําไม่อายชั่วกลัวบาปอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมพวกที่ไม่อายชั่วกลัวบาปเขาไปตกรกรรมลําบากตกทุกข์ได้ยากสมัยก่อนเนะี่ยเขามีพวกล่าสัตว์ใช่ไหมพวกขาดฮิริโอตะปะก็มาล่าสัตว์เนี่ยนะเดินระหกระเหนินอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีศีลเนี่ยทัานผู้ที่ขาดพละเจ็ดประการเนี่ยนะขาดกุศลธรรมเหล่านี้ก็ย่อมเดือดร้อนทุกข์ร้อนเร่าร้อ น, น, น, นกิเลสก็เสี่ยมซ้อนให้ไปทําโดยประการต่างๆ ทีนี้อันตรายก็ครอบงําย่ายีนรชนเหล่านั้นทุกคนก็มีอันตรายกันนะนี่ยสหรับสัตว์ที่เกิดมาเป็นผลพวงของตันหาก็อันตรายก็เล่นงานนี่อันตรายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคืออันตรายที่ปกปิดกับเปิดเผยเนี่ยนะปกปิดเปิดเผยเนี่ยนะไอ้เกิปรากฏอ่ะอันตรายเปิดเผยเนี่ยเป็นยังไงเช่นประกอบอาชีพบางอย่างก็ราชสีเสือโครงเสือเหลืองหมีเสือดาวมา้าป่าพวกนี้ถ้าไปอยู่ป่าอยู่เขาใช่ไหมพวกนี้สุด เรียกว่าอันตรายที่ปรากเปิดเผยเห็นชัดเนี่ยนะหรือถ้าเป็นพวกโคพวกกระบือเนี่ยนะโคบางตัวมันชนเราจริงจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นศัตรูเปิดเผยหรือกระบือเนี่ยนะเขามาถูกเคยถูกกระบือเนี่ยไล่ขวิดหลายครั้งกันเนี่ยนะพวกช้างเนี่ยนะช้างพวกงูพวกแมลงป่องเนี่ยพวกงูนี่ก็เป็นศัตรูที่ที่เปิดเผยนะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นศัตรู หรือพวกแมลงป่องพวกตะขบับหรือพวกโจรเนี่ยนะพวกโจรทั้งหลายก็ถือว่าศัตรูที่เปิดเผยหรือคนที่ทํากรรมชั่วคนที่เตรียมจะทํากรรมชั่วเนี่ยนะคนนี้ก็ชื่อว่าศัตรูที่เปิดเผยเรียกในหนึ่งก็คือพวกโรคทั้งหลายเนี่ยนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายอ่ะพวกโรคทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอันตรายที่เปิดเผยใช่ไหม โรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคหวัดโรคพิษไข้ทรพิษไข้เสื่องซึมนี่นะโรคท้องโรคลมสลบโรคบิดจุกเสียดลงรากโรคเลือนฝีกลากเลือนมองคร้อลมบ้าหมูหิตเปื่อยหิดด้านขุธราชโรคหูดโรคละลอกคุนราชบวมอาเจียนเป็นเลือดดีกำเริบโรคเบาหวานโรคเริ่มโรคผูพองโรคฤสีดวงทวารเป็นต้นเนี่นะฤสีดวงทั้งหลายพวกนี้ก็โรคที่ปรากฏเนี่ยนะ หรืออาพาธมีดีเป็นสมุทฐานเรียกันดีซ่านน่ะนะดูตาแล้วเลืองไปหมดเนี่ยนะหรือว่าพวกเสมหะเป็นสมุทฐานกเ็เสมหะก็เช่นมันอะไรมันฝืดอ่ะนะน้ำคัดหลังไม่ ด, มดีมันฝืดมันเคืองหรือว่าโรคมีลมเป็นสมุทฐานเนี่ยนะไข้สันนิบาตก็คืออาศัยหลายๆอย่างมาประชุมกันก็เลยป่วยหรืออุตุเปลี่ยนไปเนี่ยนะฤดูเปลี่ยนก็ป่วยบริหารร่างกายไม่สม่ํามเสม อ, อไม่สม่ํามเสมอ หรือว่ารู้สึกความเจ็บปวดหรือที่เกิดจากวิบากของกรรมเนี่ยนะมันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเนี่ยนะเป็นศัตรูที่รู้กันอะ่ะคือใครเกิดสิ่งแบบนี้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นจะรู้เลยกําลังรู้ว่าตัวเองมีอันตรายใช่ไหมถ้าสิ่งทั้งทั้งหลายที่กล่าวไปเกิดขึ้นกับตัวนะรู้เลยว่าอันตรายแม้กระทั่งความหนาวความร้อนความมวความกระหายปวดรูจระปัสสาวะเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายที่เปิดเผยเนี่ยนะ คือรู้อะนะเราคนที่ทําอ่ะโดยทั่วไปแล้วรู้ว่าเป็นอันตรายเนี่ยนะคือสิ่คนที่มีความเหล่านี้นะเช่นคนที่ร้อนก็รู้ว่าใช่ไหมว่าอันตรายหนาวก็รู้ว่ากําลังอันตรายมันจึงถือว่าเป็นอันตรายที่เปิดเผยเนี่ยนะปวดอุจจาระประสัสสาวะนะถ้าไม่แก้ให้ก็เดือดร้อนล่ะ <S <S แะม้กระทั่งสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายใช่ไหมเป็นไงคุณบุญชวนนะเหลือบอันตรายเปิดเผยใช่รู้ชัดเลยนะ เราคิดเรารู้ว่ามันอันตรายใช่ไหมแม้กระทั่งพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเป็นเป็นศัตรูที่ที่อันตรายเนี่ยนะเป็นอันตรายที่ทุกคนยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอันตรายจริงๆ